ก็ขอแนะนําในการปฏิบัติกรรมฐานินความจริงวิธีปฏิบัติกรรมฐานนี่มีมากแต่ว่าก็เคยอธิบายกรรมฐานสี่สิบจะเกือบครบสี่สิบถ้าฟังกันแบบนั้นจะรู้สึกว่าจะมั่วจะเกลุ่อใจมากไม่สามารถจะทรงตัวได้ก็ขอแนะนําแค่การปฏิบัติเบื้องต้นในความจริงเบื้องต้นก็ใช้ต้นใช้ที่นี่สุดเหมือนกัน ก็คืออนาปานุสติกรรมฉ า, านวันนี้ก็ขอว็บเอานําวิพัศน า, านญาณมาควบนิดหน่อยปฏิบัติขั้นแรกจริงเพื่อการป้องกันจิตปุ้งสร่างก็คือลมให้ใจเข้าออกการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมหม่ใจออกด้วยเวลาให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีแล้วก็ทราบอย่างนี้เชื่อมีสมาธิานาปานุสติ ทีนี้ถ้าหากว่าเราภาวนาด้วยสมมติว่าภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าคำภาวนาในบรรดาท่านพุทธบ ร, ริษัททุกคนโปรดทราบอาตมาไม่จํากัดหรือ <c oughs> ว่าใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามคล่องเท่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วหรือว่าเวลาปฏิบัติจริงไม่เวลาสงบจากคําแนะนําเวลานั้นท่านที่ได้มโนยิทิจะใช้มโนยิทิก็ได้ตามสบาย ถ้าหกว่าเบอร์เอิญท่านนั่นหลายไม่เคยภาวนามาก่อนก็ใช้ภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธร้ายใจออกไม่ว่าโธอย่างนี้ท่นเรียกว่าอานาปานุสติกับพุทธานุสติควบกันสองอย่างควบกันถ้าขณะใดก็นนะดตามที่บรรดาท่านพุทธุริษัตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก และรูค้คำภาวนาก็ชื่อว่าเวลานั้นจิตของท่านมีสมาธิเพราะคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจคือตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าตั้งใจรู้ลมให้ใจออกตั้งใจรูค้คำภาวนาว่าเวลานี้พุทเวลานี้โธให้ทราบว่าเวลาท่านจิตของท่านเป็นสมาธิแต่ว่าคำว่าสมาธิก็มีมากอย่างเช่นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อย อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชานยังไม่ถึงชานถ้าภาวนาสมาธิขั้นของชานสมาบัติขั้นของชาญก็มีทั้งสี่อย่างชาญที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สีแต่เมื่อสรุปจริงๆถ้าท่าปฏิบัติต้องการผลก็ถือว่าจะมีคณิจะสมาธิหรืออุปจารสมาธิก็ใช้ได้ ว่าสมาธิสองอย่างก็ถือว่าขณะใดาที่จิตไม่มีสมาธิขณะนั้นจิตว่างจากกิเลสว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าก็ดีรู้ลมหายใจออกก็ดีเวลานั้นจิตไม่นึกเรื่องอื่นจิตก็ว่างจากกิเลสเจ็ดจิตนึกอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกกิเลสก็ไม่กาะใจ นึกก็ขณะใดที่รู้คำภาวนาโดยเฉพาะรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยใจหายใจเขา้านึกว่าพุท ใ, ใจออกนึกว่าทโทขณะนั้นถ้ารู้เฉพาะลมหายใจเข้าใจออกกับคำภาวนาเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสและการฝึกกรรมาฐานเป็นการฝึกจิตให้ว่างจากกิเลสทุกขณะหนึ่ง ถ้าจิตว่างได้ชั่วขณะหนึ่งโดยไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนแม้แต่เล็กน้อยใช้เวลานน้อยกว่าตามเวลานั้นชื่ออาการกาสมาธิต่อไปถ้าจิตมีความเ อ, อิบอิ่มมีความเพิ่มมีความปีติอิ่มอกอิ่มใจจิตมีอารมณ์มีความสุขขณะใดที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมให้ใจก็ออกก็าตาม เวลานั้นมีกําลังใจชุ่มชื้นมีความสุขเนลนกณะนั้นเชี่ยวจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ <c oughs> แต่การอย่างนี้ถึงว่าจะเข้าถึงจิตของเราไม่นานก็ตามมันจะเข้าทรงเวลาได้หนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ตามถ้าสิบนาทีถืวมากจักอย่างนี้ถือว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสแต่เวลานั้นเป็นอุปจารสมาธิจะให้ทรงตลอดวันนั้นเป็นไปไม่ได้ อันนี้การปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริรสายก็ดีทุกคนอาตมาก็ตามท่านก็ตามเหมือนกันหมดทีด่พระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติสมาธินี่ก็เพื่อจิตเราทรงตัวไม่ได้ความดีคือฝึกจิตให้ว่างจากกิเลสแม้แต่ช่วงเวลาเล็กน้อยการทําจิตให้ว่างจากกิเลสแม้แต่ช่วงเวลาเล็กน้อยก็ชื่อว่ามีอานิสงส์มาก อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าขณะใดที่เรานึกถึงกร่างกายของเราขึ้นมาให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้เรียกมรณานุสติคือความจริงคนเราเกิดมาทุกคนนี้ต้องตายคนที่ไม่ตายไม่มีแต่ว่าเวลาจะตาย ก่อนจะตายขณะที่ทรงชีวิตยอยู่น่าจะทําความชั่วบ้างความดีบ้างที่ว่าความชั่วก็คือบาปคําว่าบาปก็เป็นความชั่วอย่างการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมุสาวาตดึงโซรามีไรอย่างใดอย่างหนึ่าตามถือว่าบาปขึ้นชื่อว่าบาปทุกคนต้องทําเพำก็มีความจําเป็นในบางกรณีต้องทําอนนี้จะทําความดีท่านเรียกว่าบุญ อย่างการให้ทากนการรักษาสิ่การเจริญภาวนาเนี่ถ้าก่อนหน้าที่เราจะตายถ้าบังเอิญจิตใจของเราคิดถึงสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเวลานั้นถึงแม้ว่าท่านยีบีบนมากมาสัในการก่อนตเท่าไรก็ตามถ้าบาปเข้าวัฏกับใจของเราก่อนจะดับจิตนี่พูดภาษาชาวบ้านถ้าผูดภาษาพระก็ถือว่าก่อนจิตที่จิตจะออกจากร่าง ก่อนอิจิตออกจากร่างด้จิตเราคบบาปเวลานั้นไปอบายภูมิทันทีลงนรกไปเลยถ้าบาปเบาหน่อยก็เกิดปเป็นเปล่ส์เสียสุกายไไม่ดีเลยแต่ถ้าว่าก่อนที่เราจะดับจิตแลอจิตจะออกจากร่างเวลานั้นถ้ามาเอินจิตนิง่งขึ้นบนกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นถึงแม้เราจะเป็นคนมีบาปมากขนาดไหนก็ตามแต่เวลานั้นจิตกุสมก็จะไปสวรรค์ก่อนเหมือนกัน ดังนพระพุทธเจ้าจะทรงแนะนําให้รูจ้จักฝึกจิตที่เป็นสมาธิคําว่าสมาธิถือว่าแม้แต่เล็กน้อยก็ตามท่า ท, ทำทุกวันอารมณ์จิตจะชินหนักหนักเข้าให้สังเกตว่าเวลานี้เราเคยเจริญสมาธิจะนั่งก็ได้นอยก็ได้ตามชอบใจบางคนนั่งไม่ถนัดก็นอนน้อยก็จิตก็รู้ลมหายใจก็ออกรู้คำภาวนา ถ้าทำอย่างนี้จนชินก็ถึงเวลาไม่ได้ทําเกิดความรําคาน แ, แสดงว่าสมาธิที่วันทันบรรดาเทพทุทธศัจธรนั้นเปิดเป็นฌานแล้วเคอจิตมีการทรงตัวคําว่าฌานในอารมณ์ชินมีการจิตมีการทรงตัวเองถ้าถึงเวลานั้นมันจะต้องทรงตัวขึ้นมนประโยชน์จากกิเลสหยุดจ า, ยจากอารมณ์รับจากกิเลสในเมื่อเกิดอารมณ์ชินแบบนั้นขึ้นมาถ้าเวลาเราจะตาย ถึงแม้ว่ารมอย่างนั้นไม่ถึงว่าตามแว่าทุกคนทำทุกวันถึงเวลานอนลงไปก็ น, นึกภาวนานึกถึ ง, ลงหลวงม่ใจก็ออกภาวนาพ่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ให้บัญชินเป็นปกติทุกวันจะใช้เวลามากหรือน้อยไม่สำคัญนาทีส น, นาทีสา น, นาทีก็ได้ตามใจตามสมบายถ้าถึงอย่างนี้จิจจริยารมชินก่อนจะตายบรรดาในพระตบริษัท อารมใจบุญทั้งหลายทั้งหมดจะเข้ารวมตัวจะหาทางส ก, กัดบาปอกุศลให้พ้นได้จักกำลังใจของเราเมื่อบุญเข้าครอบงามเมื่อบุญเข้าครอบงามถ้าจิตออกจากร่างกายเวลานั้นก็ต้องไปสวรรค์เป็อย่างน้อยตอนนี้เรื่องขึ้นเรื่องความตายวันนี้เล่าเรื่องความตายต่อดีมแม่ธรณีชาติดีหรือไม่ดีน้องพ่ ก, ก็เล่าให้ฟัง ว่าขึ้นเชื่อความตายที่มันดาหย่าโยมุตตบริษัตพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเราจะถือว่ารายตายเวลานั้นตายเวลานี้เวลานี้อายุอย่างน้อยยังไม่ตายบางคนอายุมากก็คิดว่าเวลาที่เวลาตายยังไม่ถึงอันนี้มันไม่แน่นี่ตามทัศนสูตรก็มีเยอะ <c oughs> และตามความเป็นจริงก็มีมากที่คนเกิดที่หลังเราไม่จะเด็กเกล็กเลกก็ตาย ถ้ยังไม่แก่เท่าไหรเนี่ยเขาก็ตายแต่บางคนเกิดรุ่นน้องของเราไม่ห่างนักก็ตายไปแล้วก็มีบางท่านนายกรุ่นราวคาวเดียวตายไปแล้วก็มีตั้งขึ้นที่ว่าความตายจะถือว่าต้องแก่ลึอกอยังตายนั้นก็ไม่แน่นอนนี้เคลิบเคลิ้มพระพุทธเจ้าบอกว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะมาเมื่อไรก็ได้มันไม่บอกก่อนน้าธบมาจะเล่าเรื่องที่ประสบมาเองตอนเมื่อปีศ .2487 ตอนนั้นก็มาอยู่ที่วัดยุโรหงสาวาทเค อ, อยู่กมาหลายปีแล้วก็มีวันหนึ่งเขาต้มยาหมอ้อเวลานั้นไว้เป็นระหว่างสงครามโลกคดีสองเลิกใหม่ๆยุกยาทั้งหลายก็หาซื้อได้ยากระหว่างสงครามก็มีพระท่านเอายาหมอ้อกระบอกโยมของท่านต้มแล้วกินดีมากท่านก็นมาต้มคนทุกคนที่กุฏิแลใกล้เคียงกุฏิถ้าต่างคนต่างกินยาหมอ้อนี้ เขากินกันมาสองวันแล้วทุกคนบอกว่าดีมากถ่ายพอดีพอ ด, พอดีแล้วก็นอนหลับสนิทกินอาหารได้นี่พอวันนี้สามพระธมริน ญ, ญาอาตมาก็บอกขอบ้างสิขอถ้วยหนึ่งก็ไม่มากแค่ถ้วยชาเท่าเท่าดี่เขากินกันก็อยากแก้มันดีเท่าเขาความจริงเวลานั้นร่างกายปกติจะไม่เป็นอะไรเลยร่างกายไม่ได้ป่วยไข้แข็งแรงอยู่พอกินยาเข้าไปก็เดี๋ยวก็ถ่าย แต่ถ่ายมันก็ถ่ายมากถ่ายแรงจัดพอถ่ายเพียงครั้งนี้สามก็หมดแรงอนันนี้ว่าคนไม่ได้ป่วยอยู่ก่อนนะเมื่อหมดแรงก็นอนนอนรู้สึกเปลียมากตอนนี้รู้สึกกําลังร่างกายเปียจัดแรงไม่มีนอนแต่แขงขวาตามดีลาของพระจิตใจก็นึกว่าเวลานี้แรงมันไม่มีมาทียังไงก็สงสัยตัวเอง ด้วยการอืดอาการเฉียดต่างๆก็มีถ้าถ่ายแค่สามครั้งจะว่ามากก็ไม่มากเกินไปทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อแรงมันถอยน้ำไปก็นึกภาวนาในใจว่าพุทโธพอเรื่องภาวนาว่าพุทโธจิตก็เป็นสุขแต่ตอนนี้ขอย้อนถึงต้นก่อนขบันดาอาจาพระดุสิที่คิดว่าจะมาได้เก่งกับมันฐาน ม, มาก่อนไม่ใช่อย่างนั้น หลังจากเรียนพ่อที่พ่อปานตายไปแล้วขณะที่บวทใหม่ๆบทจริงก็ฝึกกมฐ า, านด้วยเรียนนังสือด้วยทำงานด้วยทำงานวัดงานก่อสร้างที่พ่อปานท่านจัดทำแต่เวลาที่นั่งจะเรียนกรรมฐ า, านจริงจังมันก็ไม่มีหลังจากพ่อปานท่านตายไปแล้วขณะที่นั้นเรียนนังศ์ด้วยว่าสอบได้นักทรรเอกก็เข้ามาเรียนบาลีที่กรุงเทพ การบรัณฑิตบรลีมาระหว่างปีนั้นปีที่เขาพูดกำลังพูดอยู่เนี่ยปีพศสองพสี่ร้อยแปิเจ็ดก็มีงานหลายอย่างตัวเอ ง, เองก็เรียนหนังสือเป็นไปเองแล้วเรียนต่อเรียนนักตัวเองก็เป็นนักเรียนเรียนบาลีต่อแล้วก็เขาให้เป็นครูนักธรรมในช่วงนั้นก็เป็นรองเจ้าคนณ ะ, เ จ, ะ เ, จเจ้าเจ้าคณะในวัดแล้วก็เป็นนักเทศปกครองพระ งานมันก็ยุ่งเวลาที่เจริงกรรมาฐานจริงจังแล้วไม่มีก็ใช้เวลาเล็กน้อยขณะที่นอนมาว่างมันจะว่างก็เวลานอนจริงๆพอที่จะถึงหมอยก็นึกถึงลมให้ใจเขาออกภาวนาว่าพทุทโธบางวันก็ใช้เวลาถึงสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างจริงหลับบางวันก็ภาวนาสองสามคำก็หลับแล้วแน่นอนไม่ได้ถ้าที่ว่าจิตไม่ทรงตัวตามที่เราคิด แต่คิดว่าผู้ทรงฌานจิตทรงตัวนั้นไม่ใช่ก็ถือว่าสมาธิเวลานั้นบางวันก็เป็นคณิกาสมาธิบางวันก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ว่าที่เป็นคติกาสมาธิมีสมาธิเล็กน้อยนํามากกว่านี่อธิบายฝั่งจะได้ทราบว่าเวลาทั้นสมาธิแต่มาไม่เฉดีก็เหมือนเหมือนกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่มารมแต่บางทีญาโยมพุทธบริษัท บ, บ, บางคนอาจจะมีผลมากกว่า การปฏิบัติจริงเวลาปฏิบัติจริงจังไม่โยในเมื่อมีสมาธิไม่ดีในขณะนั้นสมาธิก่อนหน้านั้นก็ไม่ดีแต่เวลาปล่วยลงไปมันหมดที่พึ่งเมื่อจิตเกี่ยวห่อลงไปมีความเพียรมากใช้าตาสั้นก็มาดีละหน่อยละหน่อยหน่อยคำว่าสันน่นนะไอ้สุดถ้าสุดทางมันมองไม่เห็นแต่มันใกล้มันก็สุดทางใกล้เ ข, ข้าขมาใกล้เข้าขมากล้เข้ามา จนทั้งระยะอีกประมาณสักสองเมตรไม่ถึงดีเนนนั่งอยู่มองไมเห็นเนนตามันส่ายมาที่ก็เตียลงแต่ก็ใจมีความสุขก็คิดว่ามีความตายเข้ามาถึงเราแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็นึกในใจว่าขึ้นเชี่ยวความตายเป็นของธรรมดามันจะตายไปไหนก็ช่างพวกมันถ้ามันจะตายเราก็ห้ามไม่ได้ใจก็นึกถึงภาพอรุทธรูป การนึกถึงผ้าพั้งรูปก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งเห็นมั่งไม่เห็นมั่งก็ตามธรรมดามันเหมือนก็ยาติโยมการภาวนาก็ไม่ไกลได้ภาวนาเนี่ยเป็นปกติทรงตัวยิ่งจิตยิ่งเคลื่อไปภาวนายิ่งทรงตัวขึ้นเพราะว่าสมาธิี่ฝึกเล็กน้อยมันรวมตัวในที่สุดสายตาซึ่งสั้นห่างไปประมาณเม็ดกว่ากว่ามองไม่เห็นก็หายไปคือไม่เห็นอะไรเลย ในเมื่อเห็นอะไรเลยก็มีความรู้สึกว่านั่งอยู่ในร่างกายของเราเองความรู้สึกบอกชัดว่าที่เรานั่งอยู่ในนั้นคือร่างกายของเราแต่ร่างกายเวลานั้นมันมองโตคล้ายๆต่อถ้ำเหมือนกันนั่งในถ้ำแต่ตัวของเราเองนั่งในนั้นแต่เรื่องกลาการแต่งกายก็ไม่ใิ่แต่งกายพระมันมีชัดดามีเครื่องประรดับมากมานั่งอยู่ไม่ได้ขาดสมาธิ เวลานั้นก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะไปไม่ไปในตามความรู้สึกนะตามความรู้สึกตัดสินใจคิดว่าที่เราจะไปดีแล้วเราจะอยู่ดีกําลังนั่งนึกอยู่ก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งเวลานั้นเห็นเป็นคนนุ่งขาวแต่งขาวชุดขาวผ้าหนุ่งกับขาวผ้าห่มก็ขาวเดินเข้ามาใกล้พอท่านเข้ามาใกล้มันย็งข้างเด่กก็ส่งยาให้คนหนึ่ง ยาเนี่ยเห็นเงี่ยโตเท่าก้อนลูกพุตสายขนาดเคียงสนิดปุสาไทยนะไม่ใช่ปุชาโยนถ้าลวกพุอสายถ้าส่งให้ถ้าบอกกินยาขนาดนี้เถ้ากินยาขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องไปไหนยังไปไม่ได้แล้วก็วันมะรืนนี้ที่รับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะ ถ้ากินยาขนาดนี้แล้วร่างกายจะมีกําลังดีตามปกติอาการโรคต่างๆจะหายก็รับยาจากท่านมากินเข้าไปเวลากินยามบรรเทาสิวมันกินดินเหนียวรสมันดินเหนียวแต่กระทืออะไรก็กินกินแค่หมดกินไปแล้วเมื่อเกินเข้าไปก็มองหน้าท่านอยากจะทราบว่าท่านคนนี้เป็นใครแต่ถ้าไม่แต่งตัวเป็นธรรมดาจะมาเป็นคนธรรมดา แต่ก็บอกว่าฉันคือพระอินพ่อของคนเวลานี้วาระแห่งการตายยังไ ม, ม, ม, ม่มาถึงแล้วในเวลาที่ตามปกติเมื่อจิตมีสภาพจุดจุดจากรมณ์ภายนอกจึงมันยังไม่มีการตรัดสินใจแน่นอนว่าจะไปถ้าไม่ไปหลังจากคุยกันเสร็จท่านก็หายไปก็รู้สึกโตขึนต้นมาสช้ตาก็ยาวตามปกติก็ลุกจากที่นอน ตัวสียวร่างกายมีแรงตามปกติอาการเพี้ยเพียไม่มีเลยแตว่าที่เราพูดนี่รู้สึกว่าจะใช้เวลาเล็กน้อยแต่ความจริงไม่ใช่เวลาที่ผ่านไปในหกชั่วโมงกว่ามันก็ควรจะไปชาตอนที่นั่งในตัวเห็นตัวเป็นเป็นท่ำนั่งตัดสินใจดูรูปร่างหน้าตาตัวเองเราเอ้มันยังไรไอ้นหน้าตัวเองจะเห็นนม่เห็นวราไม่ชัดนะเห็นนะทีนี่เห็นหน้าตัวเอง เวลานั้นเป็นผีแล้วใช่ไก็คิดว่าไอ้ที่เรานั่งนี่มันเป็นร่างกายเป็นร่างกายเดิมของเราแต่ร่างกายนี้ร่างกายถึงเป็นร่างกายใหม่ที่เรียกว่าทิฏมาในกายที่เราความว่าไอ้ร่างกายใหม่เนี่ยมันจะ ต, ต, ต้องไปที่อยู่ของมันยังตัดสินใจไม่ได้จะไปจะไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปไอ้เวลาเนี่ยอาจจะใช้เวลานา น, านหน่อย ที่นำเรื่องนี้มาพูดไปขอแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรายัางไม่ตายก็ดูตัวอย่างม่ปีพาสองพันสี่รอยปฏิเกศทอาจะมาเล่าอยู่เวลานี้เวลานั้นเองอาจะมาไม่ได้ป่วยเลยร่างกายเป็นปกติทุกอย่างแต่ก็ยาขนาดนั้นคนอื่นเขากินมันดี เวลาเราไปกินบ้างก็ไม่ใช่ผิดแยกเวลากินข้าวดินมาก็ขอหน่อยก็เป็นยามอดเดียวกันไม่กินข้าวเดียวกันแต่พอกินไปแล้วว่าทพอมันก็ถ่ายหนักแต่คนอื่นสบายนั่นก็แสดงว่าสัญลักษณ์ที่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยมีตัวยาต้องอาศัยยาเป็นต้นเหตุไม่งั้นก็ไม่มีเหตุแต่เวลานั้นเวลานั้นก็อยุยังไม่มากนักก็ยังไม่น่าจะตายแต่ความตายก็เข้ามาถึง ตอนน้ความตายสองครั้งคือเมื่อคืนที่เล่าเมื่อคืนนี้ครั้งหนึ่งกับการตายครั้งนี้มีาการต่างกันเมื่อคืนที่แล้วเราเรื่งการตายของอหิวาติกรโรคอาหิวะติกโรคเี่มันทรมานมากมันหนักมากจริงๆปวดท้องก็ปวดร้อนภายในก็ร้อนตอไนี้ท้องไม่ได้ปวดเฉพาะข้างในมันปวดมาถึงผิวหนัง แค่ผ้าที่ผ้าจะนุ่งข้าวเข้มขัดก็ไม่ได้ต้องวางไว้เฉยๆเอามือแตะก็ไม่ได้ไม่นปวดจัดแล้ว ก, ก็ร้อนจัดตอนนี้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธศาสน์ต้องระวังไว้ว่าถ้าการอย่างนั้นมันเกิดกับเราเราจะทัำยังไงถ้าเราจะไปรอภาวนามาป่วยหนักปวดหนักถ้ามันไม่ไหวมไม่ไม่ภาวนากันแน่ด่งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ฝึกภาวนาไว้ ก่อนที่จะป่วยอย่างนั้นเวลาโกติฝึกให้มันชินถ้าถึเวลากล็ให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนึกว่าโทอย่างนี้ก็ได้นะให้ใจเข้านึกว่านะม้าจะออกนึกว่าพาัฒน์ทก็ได้แล้วสมมาระหังก็ได้จีตสุขโตได้โงภาว่าได้ทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่จะรู้ลมให้ใจเข้าออกให้นึกถึงพระพุทธจเจ้าซะก่อนถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจา้าก่อนถือว่าเป็นพุทธานุสติ ขณะที่จิตสมาธิเป็นพุท ธ, ธานุสติตลอดเวลาถ้าเรานึกถึงการทำคําสั่งสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพุทธภาสิตข้อใดข้อหนึ่งค่อยทอดคำนี้เป็นธรรมะคาใดคำหนึ่งอต็ตามมันค้องใจอยู่ก่อนในขณ ะ, น, ะนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมานุสติหรือว่านึกถึงได้สงองค์ใดองค์หนึ่งที่เราพระกรบก็เป็นสังขานุสติกรองความว่าอนุสติทั้งสามดีหมดแต่ขอยึดพุท ธ, ธานุสติเป็นสำคัญคือพระพุทธเจ้า อย่าทิ้งพระพุทธเจ้าให้การนึกถึงพระเจ้าเป็นสตินอย่างเร็วที่สุดถ้าสมาธิเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างตายแล้วอย่างส่ําไปสวรรค์ได้แน่นอนตอนนี้สมมติว่าถ้าเวลาที่ป่วยจริงเวลาใกล้จะตายมันดิ้นตูมตามตงตามภาวนาไม่ไหวจะยังไงอีกตรง น, นี้ต้องคิดต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุญยังไม่ป่วยก็พยายามทําไว้ก่อน ให้จิตทรงบุญไว้ถึงแม้เวลาป่วยเวลาเริ่มป่วยยังไม่หนักมากก็ทำบุญไว้ถ้าพูดถึงทำบุญก็บอกว่าสตางค์ไม่มีแต่ความจริงการทำบุญไม่ต้องใช้สตางค์ก็มีได้ไหมมีอนุภาพมากในสงหนักนั่นก็คือการภาวนายังไม่ป่วยก็ฝึกการภาวนาไว้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้พระตรูปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ชินตอนนี้ถ้าเวลาป่วยใหม่ๆ เราแน่ใจไม่ได้ว่าการป่วยครา้นี้มันจะตายได้ไม่ตายก็ไม่ทราบแล้วก็นั่งนึกภาวนาไว้คือคำภาวนาไม่ใช่เต็มวันก็นึกบ้างไม่นึกบ้างถึงเวลาว่างๆก็นึกถึงคำภาวนาก็รมไม่ใจก็ออกเวลาที่ปวดขึ้นมานึกไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่ ว, ว่าถ้าขณะป่วยใหม่ๆจิตนึกถึงภาวนาจิตจะมีรงทรงตัเป็ น, นกุศลกุศลเข้าครอบงามจิตเวลาเน้นอกุศลจะเข้าไม่ได้นี่อย่างหนึ่งนะ อีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไหวถนัดในการภาวนาถ้าเริ่มป่วยใหม่ๆมีมนพระมรักษาทานขอให้พระมาแทนพระคือไม่ต้องยกทัพระทั้งสี่องค์แลือห้างอางค์เอาพระมาองค์เดียวจะเป็นพระได้เป็นเองก็ได้เป็นผู้แทยในการรักษาทานจ่ายของเท่าที่มีอยู่ไม่จําเป็นจากัดและต้องทําอะไรบ้าง ถาวาไหวเป็นสังฆทานให้พระหรือเนรแล้ให้สิงเราก็รับสินแล้วก็ตั้งใจถาวายสังฆทานกับท่านแค่นี้จิตจะจับรูปพระรูปเนรในสังฆทานไม่ทรงตัวเพราะคนป่วยจะมีสภาพกับคนที่เรือล่มกลางทะเลเพราะว่าในเมื่อไม่มีอะไรจะไปนี่พึ่งรอยคออยู่ในน้ำแล้วก็ส่งท่อนไม้ให้กเ ก, กาะท่อนไม้ ส่งสุนักเน่าให้เ ก, กาะตุนักเล่าท่านี้พรา อ, อไรเพรกลัวตัวจะตายก้อนี้ชั้นใดคนป่วยก็เช่นเดียวกันจึงถึงระจุดใดจุดหนึ่งที่มีการตัง้งแก้บุญเกาะได้เขากอดแน่นแต่ว่าเราให้เกาะบุญกุศลไว้อย่างใส่บาทก็ตามและอย่างถวายสังทาเกาตามอย่างภาวนาก็ตามตอนนี้ถ้าหากในตอนต้นของการป่วยทําอย่างนั้นภาวนาก็ได้ จะหรือแมภาวนาไม่ใช่ทั้งวันนะจะพาอเวลาตามใจชอบแต่นึกถึงพระพุทธเจ้ารรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามใจชอบดีทั้งนั้นแล้วก็หรือว่าจะมีโอกาสถาวายว้สงทานจะมีโอกาสใส่บาตรถ้าไม่มีโอกาสไปใส่บาตรเองก็ให้นำเข้าสุกมาหรือว่าสตางค์เล็กน้อยบอกเขาบอกนี่ไปถาไวายพระที่วัดนะฉันถาไวายไปสังฆทานเพียงเท่านี้ เพียงแค่นี้จิตจะเกาะบุนกุศลถ้าสมมติว่าในตอนปลายใกล้แก่ใจมันดิ้นตมตามตูมตามตามภาวนาก็ไม่ได้พูกกับใครก็ไม่ได้ใครพูดก็ไม่รู้เรื่องนี้ถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นไม่ตกนรกหรือก็ต้องขอตอบว่าขณะที่ยังดีอยู่จิตจะส่งตัวได้จิตจิตเกาะบนกุศลถึงแม้ตอนตายมือจะดิ้นขนาดแต่ก็ตามจิตจะไม่ยอมปล่อยบนบากุศล ที่จะเกาะบนท่าตายเมื่อไรไปโ่สุลติทันทีอันนี้ขอมรนดาญาโยผูธธธ้ศักดิ์ยาทิ้งนะอันดับแรกเราคิดนี้พานกันถ้าบังเอิญถ้ายังไม่ถึงนี้ผ่านก็ไปสวรรค์ก่อนไปตรงก่อนถ้าต้องการคิดถึงนี้ผ่านก็คิดตามนี้ว่าจีรังวัตยังกายโยเป็นต้นให้คิดว่าร่างกายนี้อีกไม่ช้านักก็จะมีวิญญาณไปฝ่าแล้วคือออกไปแล้ว ในเมื่อบรญญาณหลุดไปก็มีสภาพไอ้ก็เป็นของที่บุคคลเขาไม่ต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ในด้นขึ้นชีวร่างกายอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกนั่นเราต้องการานิพพานคิดอย่างนี้แนละก่อนภาวนาหรือหลังภาวนาแล้วก็ได้คิดอย่างนี้ทุกวันคิดพอสบายใจไม่ต้องนานนักแล้วก็เริ่มภาวนาจิตจะเกาะ อ, อยู่ลมนี้ จะภาวนาพุโทโธแลรทำ ม, มรลสังโฆ อ, อะไรก็ได้ถ้าจิตจะกาอตรงนี้อยู่ถ้าเวลาท่านตายเม่ไรขึ้นที่ร่างกายจะต้องเกิดไม่มีกับท่านอีกต่อไปอนบรับดา ย, ยาโยงก็ต้องไปัทย์นิรยเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วต่อไปรอทุกท่านตั้งใจสมาทานสินสม า, ามมทานไปกรรมฐาน